เมื่อเดินทางมาถึงเชียงรายก็ได้กราบพระภิกษุซึ่งฉันนับถือเป็นครูบาอาจารย์ท่านมารักษาวัดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ของท่านฝากดูแลชั่วคราวอย่างน้อยก็มาฝึกพระรุ่นใหม่ให้สามารถรับช่วงสืบทอดต่อไปได้ท่านต้อนรับฉันด้วยรอยยิ้มสงบเย็นฉันกราบท่านด้วยใจเคารพลึกซึ้งหลังจากมีปฏิสันทานตามธรรมเนียมอยู่ชั่วครู่ ท่านก็ทักขึ้นมาลอยๆว่าลาบใหญ่นั้นต่อให้เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบครั้งก็แค่นั้นเองของมันต้องหมดไปเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปซื้อสุขติภูมิไม่ได้เอาไปประกันตัวออกมาจากนรกไม่ได้แต่พระโสดาปติผนนั้นเมื่อได้เพียงครั้งเดียวจะไม่มีวันเสื่อมปิดประตูอบายเด็ดขาดมีแต่จะเลื่อนชั้นขึ้นสูงในหุนทางของสุขติภูมิ รู้แจ้งแทงธรรมะยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดฉันน้อมหลังก้มกราบท่านหลายครั้งหลายครายิ้มปลาบปลื้มขนลุกเกลียวไปทั้งร่างบรรดาธรรมะปีติราวกับเพิ่งบรรลุธรรมใหม่ๆเกิดความคิดขึ้นมาว่าทันทีที่มนุษย์ผู้มีปัญญามีอวัยวะครบได้เกิดศรัทธาจะอุทิศตัวเจริญสติปัฏฐานเต็มกำลัง ในบัดนี้เขากำลังสร้างโชคให้ตัวเองเหนือกว่าผู้ประสบลาบลอยระดับรางวัลที่หนึ่งทุกชนิดแล้วพบชาติเป็นสิ่งน่ากลัวหมู่ชนผู้ไม่ตรหนักในภัยใหญ่หลวงย่อมหลงไหลสแสวงสุขกันอย่างหน้ามืดตามัววันหนึ่งเมื่อมัจุราจะยื่นหัดมาฆ่าชีวิตไปพวกเขาย่อมคลั่งครวนด้วยความไม่รู้และดิ้นรนขอต่อชีวิตด้วยความมาหมายจะกลับมาเสพสุขอีก กรรมขาวก็ไม่ขยันทำกรรมไม่ดําไม่ขาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงพระอาจารย์ของฉันเทศเตือนด้วยน้ำเสียงสงบเจือเมตตาว่าโสดาบันอาจเป็นนาบุญใหญ่หรือเป็นแหล่งกําเนิดบาปหนักของคนอื่นได้เท่าๆกันเพราะมีความสูงส่งทางจิตวิญญาณแต่ก็ยังมีราคะโทสะโมหะครบโดยเฉพาะถ้าเป็นครวาสก็เหมือนคนเหยียบเรือสองแคม ก้ากึ่งกันมากระหว่างปุตชนกับพระฉะนั้นทางที่ดีควรระมัดระวังอย่าไปก่อความเจ็บใจให้ใครเขาอย่าเผลอเอาราคาโทสะโมหะไปออกหน้าปัญญาจะมีคนเดือดร้อนสาหัสเมื่อเขาคิดพูดหรือทำตอบมาด้วยอกุศลจิตหนักๆและเราเองถ้าเผลอก่อบาปก็จะให้ผลรวดเร็วรุนแรงเมื่อเทียบกับปุตชนทาในระดับเดียวกัน ก่อนกราบลาในวันนั้นพระอาจารย์ได้กล่าวเตือนทิ้งท้ายด้วยการเปลยว่าผู้บรรลุธรรมขณะเป็นคารวาสนั้นจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือมักทอดทุระไม่ขวนขวายเต็มที่เหมือนสมัยยังเป็นปุถุชนผู้มุ่งมั่นเอามักเอาผลและหน้าที่ของวิถีชีวิตคารวาสไม่ใช่เพื่อทา ม, มักผลนิพพานให้แจ้งเหมือนอย่างพระภิกษุสงฆ์ก็นับเป็นเรื่องน่าเสียดาย หลายต่อหลายคนเป็นโสดาบันประเภทสัตตขัตตุปรมะคือต้องเกิดตายอีกเจ็ดครั้งกว่าจะจบสิ้นภพชาติก็เพราะบรรลุโสดาปฏิพลขณะเป็นครวาดเพลิดเพลินไปกับการเหยียบเรือสองแคมอยู่นี่เองต่างจากการบรรลุธรรมขณะเป็นพระเส้นทางจะดึงดูดให้เจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดก่อนตายแม้พักภาวนาบ้าง ก็เพื่อสงเคราะห์ญาติโยมมากกว่าจะเพื่อเพลิดเพลินไปในโลกฉันก้มหน้าเงียบแต่ใจอดนึกเถียงไม่ได้เมื่อเช้าก็ยังตื่นตีสีตามปกติอยู่เลยท่านมาเตือนเรื่องประมาททําไมแต่พอกราบลาพระอาจารย์ขณะเดินออกจากวัดนั่นเองก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าหลังบรรลุธรรมแล้วฉันตื่นตีสีขึ้นมาเดินเล่นหรืออ่านพระไตรปิฎกเสริมความรู้ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระโสดาบันด้วยความติดใจมากกว่าจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอีกทั้งเมื่อสติอยู่ตัวจเจริญทั้งสมาธิและปัญญาได้บ่อยๆในระหว่างวันก็ทำให้กิริยาอันเป็นนิมิตแห่งความเพียรลดลงมากจะไปเพียรรู้เอาด้วยสติระหว่างวันเป็นหลักนั่นเองเป็นเครื่องหมายบอกว่าความกระตือรือร้อนขวนขวายเริ่มลดลงแล้ว ฉันถอนใจยาวสำรวจความรู้สึกและถามตัวเองว่ายังอยากรู้ภาวะหลุดพ้นแห่งใจชนิดไม่กลับกำเริบเหมือนวันที่ได้พบคุณพ่อน้องออสผู้เป็นครูธรรมะคนแรกในชาติปัจจุบันอยู่อีกหรือไม่คำตอบคือไม่อยากเท่าเดิมแต่ก็ยังไม่มีเหตุปัจจัยแวดล้อมใดๆมาฟ้องเลยว่าเลิอกอยากแล้วไม่เอาแล้วพระไตรปิฎกแสดงปฏิหารอีกครั้ง คืนนั้นฉันอ่านเจอพุทธพจน์ในอัญญสูตรซึ่งพระมหากัสสปะนำมากล่าวเทศภิกษุถึงธรรมสิบประการอันเป็นไปเพื่อความเสื่อมซึ่งถ้าไม่ละธรรมสิบประการนี้แล้วก็เป็นอันหมดสิทธิ์เจริญต่อธรรมสิบประการเหล่านั้นได้แก่หนึ่งหลงสําคัญผิดเข้าใจว่าตนเป็นอรหันต์เพียงเพราะเป็นผู้สดับฟังมากจนขึ้นใจรอบรู้ตอบได้หมด 2. เป็นผู้มีความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่มาก 3. เป็นผู้มีความพยาบาทกลุ่มรุม 4. เป็นผู้มีความหดหู่ง่วงงุน 5. เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอย่างมาก 6. เป็นผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงไม่รู้จบ 7. เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงาน ประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งความเป็นผู้ชอบการงานหมายถึงการงานอันจะดึงจิตให้ส่งออกนอกขอบเขตสติปัฏฐาน8เป็นผู้ชอบในการคุยยินดีในการคุยประกอบหนึ่งหนึ่งซึ่งความเป็นผู้ชอบพูดคุย9เป็นผู้ชอบนอนหลับยินดีในการนอนหลับประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งความเป็นผู้ชอบนอนหลับสิบ เป็นผู้มีสติหลงลืมทอทุระในคุณวิเศษเบื้องบนเพราะได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องต่ำข้อสุดท้ายทําห้ฉันตะลึงตรหนักในบัดนั้นว่าความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ย่อมเหมือนกันมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีเว้นเป็นโสดาบันอาจปลอดภัยจากนรกแต่ยังไม่ปลอดภัยจากความประมาทททุระได้ซึ่งหมายความว่า อาจต้องอยู่โยงยาวในสังสารวัตต่อไปอีกหลายชาติแทนที่มีโอกาสแล้วจะเข้านิพพานซะโลกของคารวาะเต็มไปด้วยเหยื่อล่อฉันคงต้องหมั่นถามตัวเองให้บ่อยขึ้นว่าต้องการสอบไล่ให้ผ่านหรือจะยอมซ้ำชั้นเดิมรวมกับคลื่นลูกหลังอีกและอีกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาทำให้ฉันตระหนักอย่างหนึ่งว่าชีวิตของคู่เจริญภาวนา ไม่เป็นไปตามตัวหนังสือสั้นๆในภาคัำพีเช่นเมื่อได้แนวปฏิบัติแล้วก็จเจริญรุดหน้าในการภาวนาตามลำดับไม่ช้านานก็บรรลุอรหัตผลชีวิตมนุษย์จริงๆที่มีเลือดเนื้อมีตัวตนนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดทั้งเหยื่อล่อทั้งข้อขัดข้องทั้งความขึ้นลงต่างๆบรรดามีมากมายหากจิตทาตัวเป็นลูกบอลที่วิ่งฉีกผิดองศานิดเดียว ก็อาจพลาดเป้าไม่เข้าประตูไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่ประตูเปิดกว้างสว่างโลออกขนาดนั้นภาวะโสดาบันที่แท้คือการไม่เห็นว่ามีตัวตนไม่มีกระทั่งความเป็นโสดาบันในใครแต่ตราบใดคนเรายังมีมานะมีตัณหาอุปาทานตราบนั้นย่อมเผลอสติหลงสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อความประมาทยืนพื้นอยู่บนความจริงอันน่าชื่นชมเช่นเป็นผู้ไม่ตกต่ำแล้วเป็นผู้ไม่มีเวรภัยแล้วเป็นผู้มีแต่ขึ้นกับขึ้นแล้วก็รังแต่จะทำให้ลดละความเพียรลงตามลำดับได้วันละนิดละหน่อยพอรู้สึกตัวอีกทีก็ปล่อยเลยตามเลยกลายเป็นทำบ้างไม่ทาบ้างไปซะแล้วนั่นเองสาเหตุของความไม่สิ้นทุกข์ในชาติปัจจุบัน ฉันเริ่มคิดตั้งเป้าใหม่ว่าจะทำอะไรด้วยชีวิตที่เหลือพระพุทธองค์ตรัสตอบท่านวจฉะเมื่อครั้งเป็นปริภาชกว่าสาวกผู้เป็นอุบาสกของท่านมากมายสำเร็จธรรมถึงระดับอนาคามีเพราะฉะนั้นฉันก็คิดเงียบๆว่าความเป็นอริยบุคคลระดับนั้นแหละที่ฉันจะทำให้ถึงก่อนบวชจากเสขสูตร ฉันรู้ว่าการเป็นอริยะบุคคลสองชั้นแรกคือพระโสดาบันกับพระสกทาคามีนั้นเพียงมีสมาธิพอประมาณก็ใช้ได้แต่หากต้องการเป็นพระอนาคามีก็ต้องทำสมาธิให้บริบูรณ์ถึงจะมีน้ำหนักสมภูมิเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงต้องเริ่มเน้นงานสมถะให้มากเช่นทำความยินดีพอใจในฌานกับทั้งทำอสุภกรรมฐาน จนจิตไม่ขล่องแวะกับการอีกต่อไป